นัปฏิบัติบางท่านที่ปฏิบัติอยู่กับบ้านจะได้ฟังเรื่องวิธีการก่อารมณ์บ้างกันให้อารมณ์บ้างสลับกันไปเพราะว่ายุโรปทางเมริกาลายคนที่เขาเก็บตัวปฏิบัติอยู่กับบ้านในช่วงเพราะว่าดิบงานนะ โดยเฉพาะที่ราิการเนี่ยในช่วงไหนเขาอยุดงานสองวันสาวันก็เก็บที่บ้านมันก็ทําให้บรรยากาศมันต่างเพราะเกิดยิ่งว่าถ้าทําด้านเข้มแข็งกว่าที่วัดยิ่บรรยากาศการปฏิบัติที่บ้านเนี่ยไม่เคยอ้วนเพาสิ่งที่มันหลอ ก, กว่าดูดที่บ้านมันเยอะกว่าแต่ถ้าเราชนะมันบ้า็ถือว่ามีกําลังนะ ถ้าไม่อยู่ที่สถานธรรมที่ปฏิบัติเนี่ย <c oughs> สิ่งยุยุให้ไปให้คิดให้ทำมันน้อยนก็ไม่ต้องใช้พลังาการปฏิบัติในช่วงเก็บอารมณ์ที่โยงธรรมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มาตอกย้ำเสริมความแยบคายความแยบคายในให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เช่นะเรายก แ ก, แก้วน้ําคุณดื่มแก้วหนึ่งเราก็จะรู้ว่าแก้วน้ําที่เราดื่มเนี่ยมันมีรสอย่างไรเป็นน้ําเปล่าก็มีรสแบบหนึ่งถ้าเป็นน้ำมะนาวก็จะมีรสมะนาวและในน้ำมะนาวมีกระเทียมด้วยก็จะมีรสกระเทียมการที่เราเข้าไปตามบูอากาอาการของการ พัที่กระทบเนี่ยให้ชัดเพราะว่าลิ้นมันแยกในสิ่งที่เข้าไปเนี่ยเป็นกี่อย่างล้วเวลาเรายืนเดินนั่งนอนการกระทบมีความหนักเบาตรงไหนบ้างในเวลาเดียวกันนี่การที่เข้าไปดูรายละเอียดที่มันกระทบไปละครั้งเรียกว่าความแยบขายในแง่ของประมัดแต่ในแง่ของ แยกแคลานเงี้ยของสมุติสามารถคิดเรื่องเดียวเนี่ยแยกแยะได้หลายมิติหลายความหมายหลายชั้นเชิงเรือว่าแยียบคายแบบสมุติแต่แยกแคลยประมัดหมายถึงกระทบครั้งหนึ่งมันสามารถแยกแยะเห็นสภาวะที่กระทบเนี่ยได้หลายมิติเช่นเหยียบลงไปเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างความหนักและขณะเดียวหายข้างหนึ่งยกจะเห็นความเบา และความหนักที่กระทบลงไปเนี่ยมันมีรัศมีการกระทบกว้างแค่ไหนลึกแค่ไหนบางคนก็สัมผัสแค่ฝ่าเท้าแต่ความหนักที่มันกินลึกเข้าไปถึงตลำขาถึงแข่งถึงเสี้ยวเนี่ยไม่เห็นเพราะการแยกขาไม่พอมีืยกขึ้นความเบ า, าเบางคนไม่รู้ด้วยคำว่ามันเบาเกิดขึ้นเบาลดออกไปอย่างไร ลักษณะใ น, นเรื่องความแยบคายด้านประมัดเราไม่พอความหนักแน่นความแหลมคมของสติสมะชญะญที่เกิดขึ้นแต่ละขณะก็ไม่เข้มแข็งนะมันก็จะได้ชั้นเดียวกันเถิดฉะนั้นคำว่าโยนิโสมริสริการเนี่ยมีความหมายใ น, นเวลาเราจะลูกจะนั่งจะย่างจะเดินถ้าเราแยบคายในส่วนของความรู้สึกที่เรา เปลี่ยนแปลงไปแต่ละขณาขนะดมัน เ, เป็นคุณภาพเขาเริ่มมมีน้ำหนักเหมือนถ้าหากเขเป็นมันสำปะหลังก็เริมมันมีเปอร์เซ็นต์สูงเขาเป็นอ้อยก็มีเปอร์เซ็นต์ความหวานสูงในราคาพิเศษนั่นในงของสภาวะธรรมก็คือมีเปอร์เซ็นต์ทางโยนิสมนสรีการสูงมหมายถึงกำลังของสติสัมภิะเพิ่มขึ้น ลักษณะนี้ถ้าหากมีสติคอยกากับที่จะเฝ้าดูอย่างชัดเจนของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเวทนาแต่ละระดับเวทนาก็ะเยียบไปหน่วยเกิดเวทนาระดับหยาบก็ยกขึ้นเกิดเวทนาระดับละเอียดในขณะที่ เหยียบลงไปนิดๆเกิดเวทนาดาบกลางอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นเพราะฉะนั้นเองในชีวิตจวันของเราเนี่ยมันมีกระทบตลอดเวลาส่วนเราจะเยียบคายได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่อํานาจของสติสมัมปญะญที่เราตั้งไว้ว่าเราจะดูอะไรในแต่ละขณะแต่ถ้าเราไม่ตั้งเจตนาหรือไม่ตั้งสติอไว้ก่อนที่เราจะดูอะไรในแต่ละขณะมันก็ เพลินไปกับความเคยชินของแต่ละขณะเหมือนกันหรือคุณภาพหรือภูมิธรรมของแต่ละคนที่มันมันก้าวไปไม่เหมือนกันเพราะมันแตกต่างตรงนี้แตกต่างต่อความแยบคายาคนไี่มีความแยบคายสูงกว่าก็เห็นความก้าวหน้าชัดเจนกว่าคนทีนมีความแยบคายต่ําความก้าวหน้าก็ต่ำความก้าวหน้าในที่หมายถึงความชัดเจนเด็ดขาดในสภาวะอารณนะมณ์นะไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปรู้อะไรมาก คขากระดิขาดในสภาวะลมหมายถึงว่าเวลามีอะไรมากระทบปั๊บมันตามรู้ปั๊บกรุดชัดเจนไม่คลาคาสัง่งไม่ย้อนไปย้อนมาไม่มลังเลไม่ยึดเยอะในเรื่องที่มากระทบนั้นเราชัดเจนเด็ดขาดมีผลมาจากความที่เรามีความเยบขายในการสังเกตการกระทบแต่ละขณะดไหม เพราะนั้นสติปัญญาวิญญาณปัญญาของแต่ละคนจึงต่างกันมีกําลังต่างกันตรงนี้เองตรงที่ความเแยบขายแต่ถ้างไม่ลืมว่าความแยบคายกับเพ่งถึงคนละเรื่องกันนะเป็นเพ่งนี้มาขอตั้งใจมากเกินไปจดจอมากเกินไปบังคับตัวองมากเกินไปลักษณะนี้เป็นเป็นการเพ่งเพื่อนมากของตัณหาอุปาทานอีกแบบหนึ่งแต่ความแยบคายแบบที่มันเป็นไปโดยองค์ธรรม ก็คือมันเกิดความระหว่างสังวนในตัวของมันเองนะแล้วเกิดความเรียกว่าพอใจเกิดความตั้งใจพอใจที่จะศึกษาเรียนรู้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่จะจ้องจะเอาหรืออยากจะได้ถึง ท, ทำตั้งใจทำขนาด น, นั้นไม่ใช่ แต่เป็นลักษณะที่ต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละขณะขณะเป็นการเรียนรู้ลักษณะนี้ก็จะเป็นด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่ใช่อำนาจของตัณหาอุปาทานาเพราะนั้นในหลักถ้าจึงใช้คาว่าศึกษ า, าถ้าดูในลักษณะทางกายก็รู้ว่าศึกษาสีและสีขา แต่พอดูในลักษณะของทางจิตนรืสภาวะที่เป็นประมติคืออธิศีละสีขาท่านเพิ่มคำอธิเข้าไปเพก็มี2คําจิตเอ่อสีละสีขาอธิแลีละสีขาจิตและสีขาอธิจิตและสีขาปัญญาสีขาแล้วอธิปัญญาสีขามันจะมีสองในยะในยะที่เป็นรูปและในยะที่เป็นนามแล้วแต่เราจะเยียบคายในส่วนไหนเนะราแยบคายในส่วนรูปก็ทําทให้ฐานของสติสัมผัสมัน่นคงเยียบคายในส่วนนาม ก็ทำให้ฐานของสมาธิและปัญญามั่นคงลึกขึ้นและในความรู้สึกตัวที่มันเขารว่าครู้สึกตัวรึกสึกตัวเนี่ยมันจะมีหลายระดับแต่ส่วนจะระดับใดบ้างหรือขึ้นอยู่ความแยบคายของผู้ปฏิบัตินะซึ่งตัวนี้ความแยบคายแบบนี้มันมันเป็นการฝึกฝนได้ถ้าเราตั้งใจเราเจตนาเราศรัทธาที่จะทำนะ แต่ถ้าเราไม่พัฒนจไม่เจินะไม่มีศรัทธาที่จะทําเราเคยได้แค่ไหนก็แค่นั้นว่างั้นเถอะเราจะสังเกตเห็นบางคลทํางาน ก, กี่ปีกี่ปีก็เงินเดินก็เท่าเดิมแต่บางคนปีหนึ่งขึ้นสองขั้นสขั้นปีหนึ่งขึ้นเงินเดือนหลายหลายหลายๆครั้งนี่มันต่างกันอย่างไรบางคน3ปี5ปีเงินเดินขึ้นครั้งหนึ่งบางคนปีหนึ่งขึ้นหลายครั้งจะเห็น จะบอกว่าเป็นความลำเอียงของเจ้านายนีห่หนยงานก็ไม่ใช่จะมีเกณฑ์มาตรฐานที่เราตั้งไว้ขึ้นอยู่ความแยบคายของงานคนนั้นอาจจะทํางานก้าวหน้าทำงานดีกว่าทํางานได้ตรงป้องกว่าคนนี้ก็ทําไปเรื่อยตามหน้าที่อันนี้เขาเรียกว่าความแตกต่างระหว่างความแยบคายในส่วนที่เป็นสมุดและเป็นประมัดซึ่งไม่ว่าทางโลกทางธรรมทา ง, ทาง สมุทลปรมัตตนะ์มันก็ลักษณะเดียวกันแต่ว่ามันคนละรูปแบบทั้นัเอง่ทั้ง น, นเองการที่เราเคลื่อนไหวทุกขณะมีความหมายในความก้าวหน้าการปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติมาทั้งนานแล้วอะไรก็ยังละไม่ได้กิเลสหยาบๆก็ละไม่ได้กิเลสกลางๆก็ละไม่ได้ดกิเลสละเอีดดยดก็ยิ่งแล้วเลยก็ให้เข้าใจว่าเรา ศรัาและความตั้งใจของเรายังไม่พอเราก็ยังไม่ถูกต้องเพราะถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องมันได้ก้าวเห็นความก้าวหน้าไปเรื่อยๆความก้าวหน้าที่นี้ไม่มีใครมาวัดเราได้เราวัดตัวเองลักษณะที่มีความชัดเจนเด็ดขาดตออารมณ์ที่มากระทบไม่เยื่อใยไม่ย่อแยหรือไม่ยืดเยื้อเวลามากระทบเราก็ตัดสินเด็ดขาดไปเลยอะไรเป็นอะไรมันก็จิตของเรามันก็สะอาดเกลี้ยกล่ำ เพราะไม่มีอะไรที่มาความมูลทีนอซอวะต่างๆก็ได้มาคลอเคลียแปลดเปื้อนอยู่ในขณะนั้นนั้นเหมือนกับหน้าปัดน้ำฝนพอมีอะไรปั๊บตกมาหน้าปัดเราตั้งออโต้ไว้หน้าปัดก็ทำหน้าที่ปัดทันทีเหมือนกันนะฉะนั้นในเรื่องของ การปฏิบัติเนี่ยถ้าระวังความเข้าหน้าเราก็ต้องสร้างความมีเจตนามีศรัทธาในการเรยศึกษาเหีแยบขายมากขึ้นนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในพระสูตรถ้าไปเรื่องรายละเอียดที่จะเขาว่าสีขาเช่นคาว่าสภกายะปฏิสังเวทีอัศศิษามีติสิกติคาว่าสิกติแปลวศึกษามีสติตามรู้เห็นกายทั้งปวง หายใจเข้าหายใจออกศึกษามีปุติศึกษาเราจะศึกษาว่านะจะตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทั่วกายเนี่ยนะทุกขณะจิตเข้าหายใจเข้าออ ก, กทุกขณะจิตนั่นเองนะมันก็เอาลมหายใจมาพูดเป็นรูปธรรมแล้ ท, ทุกขณะจิตแล้วรู้สึกเออมันอาจจะเป็นนามธรรมเกินไปนะดังนั้นเองใน การปฏิบัติเราจึงต้องมีความแยบคายและระมระวังทุกกิจกรรมไม่ว่ากินข้าวอาบน้ำสักผ้าล้างถ้วยล้างชามปัดกวาดจัดถูการกระทบมันเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ใช่บางเวลาเท่านั้นนะอันนี้ส่วนหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติเก็บอารมณ์พึงพิจารณาทุกอย่างต้องมองในลักษณะที่เป็นปัจจุบันเสมอ ปัจจุบันนี้มันจะมีปัจจุบันกี like ่ช like ั้นปัจจุบันอย่างหยาบๆปัจจุบันจากกลางๆปัจจุบันโดยละเอียดไม่ต้องพูดถึงอดีตอนาคตเพราะอดีตอนาคตไม่ใช่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแล้วปัจจุบันเป็นอารมณ์ของวิปัสนาอดีตอนาคตจะเป็นอารมณ์ของสมถะที่จะหากว่าเราไปเอาเรื่องอดีตอนาคตมาพิจารณาเกิดขึ้นแล้วมาพิจารณายังไม่เกิดมาพิจารณานี่เป็นอารมณ์สมถะ มัก็ออกมาเป็นความคิดคือไม่ทันนะแต่พอเราตามความรู้สึกขึ้นทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามที่เกิดขึ้นในปัจจุนแต่ละขณะขณะเป็นอารมณ์วิปัสนาและตัวอารมณ์วิปัสนาเนี่ก็นำไปสู่ตัวตัวปิญญาญาสัมโภธยนิพานายสังวัตตินะอุปสมยัยนะสัมโพธญนิพานเป็นไปเพื่อความสุบเป็นไปความผู้ค้อมเป็นเพื่อความรู้ยิ่ง เป็นไปเพื่อการทำาตะนิพพานให้แจง้งมันจะเป็นไปทางนั้นขมันตามหลักเนะืองจากความรู้สึกซื่อๆเฉยๆชัดๆสบายๆนี่แหละมันเป็นอะยหลายอย่างมากมายนะซึ่งถ้าเราไม่รู้ชัดเจนแล้วเราก็จะไม่ได้รับประโยู่์จากมันที่ควรเหมือนเรานั่งในที่นี้เราหายใจเข้าหายใจออกดูเหมือนไม่มีปัญหาะไรเหมือนปกติ แต่วันหนึ่งถ้าหากว่าสุขภาพมันมดีหายใจยากอากาศเข้าออกจะมีความหมายทันทีเลยหรือเราไปอยู่ในที่ที่มันอากาศไม่ผ่านหรืออากาศที่ไม่มีเนี่ยเราจะรู้สึกถึงคุณค่าของความปกติที่มันเคยได้ทันทีความรู้สึกตัวเหมือนกันนะถ้าเราไม่สังเกตชัดเจนว่าบางครั้งเราก็ชัดบางครั้งเราก็ไม่ชัดบางครั้งมันก็อถอย บางครั้งมันก็ก้าวบางครั้งมันก็สว่งสวางสวัยบางครั้งก็มืดมัวถ้าเราสังเกตให้ดีปรากฏการเหล่านี้ล้วนจะเป็นอุปกรณ์ของวิปัสสนาได้ทั้งนั้นนั่นเองจึงไม่อยากจะให้ประมาทคลาดเคลื่อนในสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันพยายามตามให้มากที่สุดแต่ลักษณะของการตามความรู้สึกณปัจจุบันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทักษะผู้ปฏิบัติ แต่ผู้ปฏิบัติชานาญแล้วนี่ก็จะจับได้ไวก็รู้สึกสบายเหมือนกับคนเล่นบาสเล่นบอลเล่นเป็นแล้วรู้สึกเล่นสบายๆไม่ได้กดเกร็งแต่คนเล่นไม่เป็นก็เรียกว่าเครียดมันขับรถเหมือนกันคนที่ขับไม่เป็นก็จูๆๆๆๆๆๆๆ่ๆจู่ๆก็เครียดคนที่ขับเป็นแล้วนี่ก็เหมือนนั่งเล่นๆไปเรื่อยๆมันก็สบายเพราะฉะนั้นการทํำบ่อยๆทาให้เกิดทักษะให้เกิดความชนะชนญ ท่านใช้ควากุศลคำว่ากุศลถ้าเราเปความทักษาหรือคอนซ่งชํนานาญคือการทำสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นฉลาดแล้คล่องตัวแล้ประโยชน์นี่คือเราทักษะในฝ่ายที่เป็นปรูปธรรมนะแต่ในส่วนที่เป็นนามธรรมา ท, ท่านใช้ว่ากุศลมีฉลาดในการปกครองจิตฉลาดในการชําราจิตฉลาดในการระวังจิตฉลาดในการที่จะ ควบคุมและขัดเกลาจิตนั่นเองเขาเรียกกุศลแต่ถ้าหากว่าคำว่าทักษะเนี่ยมันใช้คำเอ็กซ์เพียนเลนซึ่งทังฝ่ายรูปธรรมก็ใช้ทักษะทั้งนี้นามธรรม Experience ตัวนี้ก็หมายถึงกุศล จ, จิตหรืออีกคำหนึ่งใช้คำสกิลสกิลฟูลสกิลหมายความชนิชันนานในแง่ของวัตถุความชัํนิชนานเพราะมันใช้ในแง่ของนามธรรม คำว่สกิลฟูลมาคือจิตกุศลจิตนั่นเองคือมีความสกิลมีความคล่องตัวแล้วก็ฉลาดในการใช้อารมณ์แต่ละขณะขณะที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละขณะส่วนใหญ่มันเป็นอกุศล น, นะครแต่ถ้าเรามีความชํานาญในการที่จะเปลี่ยนเป็นกุศลได้ทุกครั้งไปลักษณะนี้ต้องใช้ทักษะใช้ความชนานาญนะ เพราะนั่นเองในชีวิในการปฏิบัติถ้าเราไม่เห็นความสําคัญเรื่องนี้แล้วก็ก้าวหน้ายากก้าวหน้ายากแต่ในเบื้องต้นที่เรายังไม่ชัดเจนเรื่องนี้มันก็ยังว่านะได้บางมาได้บางได้บางเสียบางแต่พอนานเข้านานเข้ามันมีความชี้ชันนาญมากขึ้นมีศรัทธามากขึ้นมีความเพียรมากขึ้นมีการศึกษาและสังเกตมากขึ้นความชํานาญเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นตามลําดับ นะซึ่งมันมีผลให้เราได้ศึกษาเรียนรู้อารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในแต่ละขณะได้ลึกได้ละเอียดได้กว้างขึ้นนั่นเองนะนะทันทีเราจะย่ำเท้าอยู่กับที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปแปรผันนี่ก็เราเสียเวลาชีวิตดังนั้นชีวิตผ่านไปแต่อย่าว่าแต่ละวันเลยแต่ละขณะแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีที่ผ่านไปเนี่ยเราได้ใส่ใจต่สิ่งที่เกิดขึ้น ในใกายในใจเรามากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้เป็นส่วที่สำคัญนะถ้านักปฏิบัติของเราไม่ใส่ใจในสิ่งเหล่านี้โดยแยกคายแล้วนี่ก็หวังการปฏิบัติหวังการเปลี่ยนแปลงแต่ยากนะมันก็เข้าๆออกๆมันก็หุ้มคุ้นมัวๆบางครั้งก็แจ่มใสมางคั้ก็หุ่มัวสลับกันไปแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้คอยสังเกตอยู่ เรื่อยๆ เ, เราก็จะเห็นสภาวะทั้งสองด้านปรากฏโดยที่ไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปเสกไม่เข้าไปคลุกคลีกับมันแต่เข้าไปดูอาการปรากฏเพราะความแปรปรปวนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันปรากฏเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วในกายนะถ้าหากว่าเราไม่แยกใครพอความแปรปรวนทางกายก็จะปรับให้จิตมาทําให้จิตเกิดการแปรปรวนตัวนั้นก็จะเป็นสมถายได้นะ น, นั่นเองหัวใจของการปฏิบัติจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากนะถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็ง่ายแต่ ว, ว่าไม่ใช่ง่ายแบบง่ายนะแลลว่าใส่ใจตั้งใจประเยอประดาวสักพักหนึ่งก็กลับพระาไสิโหมดโดมอีกความเคยชินนี้ก็เรียกว่าเป็นความยับไขยที่ไม่ไม่ชัดเจนไม่ต่อเนื่งอง ดนั้นส่วนใหญ่กเป็นอย่างนั้นพอมีความศรัทธามีความตั้งใจก็คือสู้ไปสักพักหนึ่งพอมันอ่อนกำลังกลับไปสู่ความเคยชินเมือเดิมพอมันทุกข์มากๆคุณมัวเศร้าหมองคุตกกังวลมากคือสู้อครั้งหนึ่งก็จิตก็ดีมาภาคหนึ่งพอจิตดีแล้วก็ประมาทพอใจเพียงแค่นั้นจิตก็กลับไปสู่เดิมกระบวนการวนมาอย่างเนี้ยมันก็เลยทําให้เราไม่ชัดเจนเด็ดขาดถ้าเรา มีกุศลจิตคือคอยประคับประองเขาจะฉันปะทัฮาติสันทังชินิติจิตตังปะทัฮาติสันทังชนินติคือมีความอาพอใจในการที่จะประคับประคองอาวารามติคอยคุ้มครอ ง, องปกป้องจิตที่มันจะตกต่า ดังนั้นเองเราเราปฏิบัตินี้เราก็เห็นความก้าวหน้าก็สนุกสนุกไปในการใช้ชีวิตในเรื่องราวต่างๆไม่มีความเบือ่อความเซ็งเห็นอะไรก็น่าศึกษาน่าเรียนรู้จะจับจะช่วยอะไรก็รู้สึกเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับเราอยู่เสมอชีวนะิตของเรามันจ ะ, จะไม่ซ้ำซากไม่ไม่ชาชินอยู่กับสิ่ง อดีตที่นอนาคตเนะี่ยแต่ว่าได้เห็นเหมือนไม้มันถอดยอดอะ่ะมันได้เห็นใบใหม่ทุกวันต้นไม้ไหนที่มันถอดยอดทุกปีท้นไม้นันก็เติบโตวไว้ต้นไม้ไหนมันถอดยอดตามฤดูกาลพอหน้าแล้งมันก็ปล่นใบหมดนี้ก็ช้าหนะ่อนยะนั้นทําไมพวกผักสวนครัวเนี่ยเขาถึงเก็บกินได้ทุกวันเพราะมันถอดยอดทุกวันเขาได้รับน้ํารับปุ๋ยทุกวันแต่ต่างกับต้นไม้ทั่วไปที่ไม่ได้รับน้ํารับปุ๋ยเพราะถอดยอดตัวถอด ยอดตามไปดูการหน้าฝนเท่านั้นแหละพอหน้าแรงมามันก็ถอดทิ้งใบ <c oughs> แล้วก็ทำเหมือนอพืชผักสวนครัวตรงที่ว่ามันถอดยอดได้ตลอดทุกวันเราก็ได้เก็บกินทุวันเหมือนกันเหนะมือนกันจิตของเราถ้ามันอยู่หน้าอารมณ์ปัจจุบันมันก็ถอดอถอดถอนอารมณ์เก่าอดีตอนาคตออกไปอารมณ์ใหม่คือหน้าปัจจุบันก็ปรากฏชัด ถ้าเป็นอย่างนี้ก็าการปฏิบัติก็มีความก้าวหน้าคือที่ไม่ต้องไปหวังว่าเราทําเหตุที่ดีแล้วเนี่ยปัจจุบันมันก็เป็นไปเองแล้วก็ทำได้ทุกที่ทุกแห่งนะเราอยู่ที่บ้านมันก็มีเหตุการณ์เหล่านี้อยู่มีการกระทบอยู่มีหนักมีเบามีเย็นร้อนอ่อนแข็งให้เห็นอยู่มีความพอใจไม่พอใจให้เห็นอยู่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าหเราจับหลักอันนี้ได้เนี่ยทุกที่เป็นสนามปฏิบัติได้เลยนะ แต่เว้นแต่เราเราต้องการสานะพิเศษต้องการพักทั้งร่างกายและจิตใจไม่ให้เกิดไม่ให้มีภาวะบีบคั้นรอบด้านเกินไปอย่างนี้แล้วก็อาศัยสถานที่พิเศษช่วยก็ได้เพราะบางที่มันเอื้อต่อกายไม่เอื้อต่อจิตบางที่เอื้อต่อจิตไม่เอื้อต่อกายนะเพราะฉะนั้นเองพิจารณาลึมใช้ความแยบคายให้เป็นแต่ความเต้าน้าดามตีมันเกิดขึ้นเอง โดยองค์ธรรมกเมันก็ขอนุโมทนา